เมื่อสักครู่นะที่เราได้สวดบทพิเศษเทวทูตนะเป็นบทที่ดีมากๆนะมันเตือนเรานะให้เราไม่ประมาทนะเทวทูตนะก็คือคล้ายๆทูตของเท ทูตที่มาเตือนเราให้เราไม่ประมาทเนาะไม่ประมาทในความการมีชีวิตอยู่เนะียไม่ประมาทว่าเราเจะมีชีวิตอยู่อีกนานนะไม่ประมาทว่าเราจะไม่ไม่เจ็บไม่แกะนะ่เนี่ยบางทีเราก็ใช้ชีวิตแบบลืมว่าเราจะต้องจะต้องตายเนาะความไม่ประมาทเนะี่ย จะเรียกว่ารวมเป็นธรรมะก็ได้นะทำทั้งหลายก็รวมลงที่ความไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้นะเหมือนกับรอยเท้าของสัตวทนะท์ทั้งหลายก็รวมในรอยเท้าช้างน่ะทำทั้งหลายก็รวมลงที่ความไม่ประมาทนะา่ไม่ประมาทเรื่องอะไรนะ่ะสำคัญนะ่ะ ทืถ้าเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นน่ะน่ะน่ะก็คือเราไม่ประมาแลนะเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นน่ะเห็นว่าความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนาะในในพระสูรก็บอกว่าความยึดมั่นถือมั่นน่ะเป็นเหตุให้เกิดชาติ ชิ า, รามรณะคือเมื่อมีความยึดมั่นมันเลยมีการเกิดนะชาติชาติแปลว่าการเกิดพอมีการเกิดก็ต้องมีการแก่นะมีชารดามีการแก่ก็ต้องมีการมรณะคือการตายคือถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่มีการเกิด เมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่แก่มันก็ไม่ตายนเนี่ยคือการเกิดนะเป็นชาตินะมันก็มันมีทั้งเรียกว่าทั้งที่เป็นชาติที่เป็นอย่างเราเป็นมนุษย์แบบนี้เนาะเป็นมนุษย์ก็มีการเกิดขึ้นมามีการแก่มีการตายหรือไม่แต่ พบชาติในใจนะคือมันพบชาติในใจนี้เกิดบ่อยมากในแต่ละวันนับไม่ทั่วเลยนะการเกิดก็คือการภุมแต่งนี่แหละนะ เ, เมื่อเกิดอุปทานอะไรมันก็เกิดการคิดมั่นถือมั่นนะก็เกิดการปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นนะ แต่งเป็นเราเป็นของของเรานะไอ้พวกนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะนะให้เราเห็นให้เราเห็นภัยนะเห็นภัยในในอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจนะเนาะจะทําไงเราถึงจะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นได้นะเราก็ต้องรู้ทัน รู้ทันเวลาใจมันไปยึดมั่นถือมั่นนะไม่ใช่จะไปทำให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมันยังทำไม่ได้นะแต่เราฝึกให้เรารู้ทันนะเวลาจิตมันไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องอะไรขึ้นมานะให้รู้ทันเวลาจิตมันไปสร้างพบสร้างชาติอะไรขึ้นมานะให้เรารู้ทันตอนนั้นแหละนะมันจะเป็นตัวทำลายความยึดมั่นถือมั่น มันไม่มีวิธีอื่นนะนะเราจะคิดนเราจะฟังแล้วก็พิจารณาตามอย่างเดียวมันก็ยากนะที่จะเข้าใจว่าแล้วก็ถ่ายทอนความไม่ยึดมั่นถือความยึดมั่นถือมันออกไปจากใจได้นะต้องเกิดจากการเห็ น, นจิตมันยึดมั่นเมื่อใดนะเราเห็นมันนะ ดูว่าจิตมันปรุงแต่งน่แหละนะมันปรุงขึ้นมานะเราก็เห็นมันนะปรุงเป็นอารมณ์ปรุงเป็นความคิดเป็นความรู้สึกอะไรต่างๆขึ้นมาในจิตเนี่ยเนี่ยมันจะมันกำลังจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างแล้วนะนะให้เราฝึกให้รู้ทันรงเนี้ยบ่อยๆนการที่เรามีสติเนี่ยฝึกสตินะ่ะ ไปกับกายต่างๆก็เพื่อให้มันย้อนมาเห็นใจเนี่ยแหละนะกิเลสทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่กับกายน ะ, นะกายมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือนะในการแสดงออกเฉยๆแต่ทำทั้งหลายเนี่ยเป็นมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะ การภาวนาจริงก็คือย้อนกลับมาเห็นเห็นกิเลสในใจนี่แหละนะหเห็นความยึดมั่นถือมั่นในใจนี่แหละนะเห็นการวางใจนี่แหละว่ามันถูกหรือผิดนะยึดหรือไม่ยึดนะปกติหรือไม่ปกตินะมันมันดูตรงนี้บ่อยฮะเราจะเห็นอ๋ออืมมันเราหลงบ่อยมากเลยนะ วันวันหนึ่งถ้าเราเห็นว่าในจิตมันหลงบ่อยมากเลยในวันวันหนึ่งเนี่ยแงว่าเออเราก็มีสติได้บ่อยขึ้นนะเห็นจิตมันไปยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่นะนปรุงแต่งนมีความห่วงมีความอะไรมีความอยากอะไรขึ้นเราก็เห็นมันเออจิตมันปุุงของมันเองนะ ดูมันตรงนี้นะดูจิตเขาปรุงของมันเองนะเดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็คิดถึงคนเดี๋ยวก็คิดถึงอดีตเดี๋ยวก็คิดถึงอนาคตดูมันแบบยิ้มยิ้มนะดูแบบมันเรารู้เท่าทันมันนะนะเห็นแล้วเออคล้ายๆเหมือน เรารู้เท่าทันในเหลี่ยมคนที่จะมาหลอกล่อเราละนะแต่เราก็ไม่พูดอะไรหลอกนะเราก็แค่ยิ้มยิ้มในใจนะแต่รู้แล้วมันหลอกเราไม่ได้แล้วเ น, นี่ยคือดูมันแบบนี้นะดูกิเลสที่มันแสดงอย่าไปหุดหิดกับมันนะอย่าไปหุดหงิดกับอาการของกิเลสอย่าไปจริงจังกับมันมากนะ เราก็แค่ดูมันแบบยิ้มยิ้มดูมันแบบสบายๆนะมันถ้าดูแบบยิ้มยิ้มสบายๆมันก็หลอกกขาไม่ได้แล้วนะให้แบบทำใจแบบสบายๆนะเห็นเห็นมันบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นมันหลงบ่อยมากนี่คือเราก็ดูมันนย ถ้าเรารู้เท่าทันมาละมันก็จะมันก็จะลงสั้นหลงนะความก้าวหน้าหรือความไม่ก้าวหน้าของการภาวนาเ น, นี่ยก็ดูตรงนี้ก็ได้นะดูตรงที่มันรู้ทันเร็วไหมนะรู้ทันบ่อยหรือเปล่านะนะวันวันหนึ่งเนี่ยเกิดสติบ่อยไหมนะหรือนาะนๆเกิดนทะีนะ หรือว่ามันหลงน่ะมันรู้ทันเร็วไหมหรือว่าไม่รู้เท่าทันเลยหรือว่านานนะเป็นหลายนาทีเป็นหลายชั่วโมงค่อยรู้เนี่ยเราฝึกแบบเนี้ยนะฝึกในการให้มันเกิดสติดได้บ่อยขึ้นนะรู้ทันความหลงให้เร็วขึ้นนะแต่ไม่ใช่ไปจ้องให้มันไม่หลงนะ ไปจ่องให้มันแบบกะว่าแบบจะเอาให้มันแบบดีๆนะมันจะกลายเป็นการจ้องเกินไปนะไม่ว่าจะจ้องกายก็ดีนะจ้องใจก็ดีนะมันจะไม่เป็นธรรมชาติการปฏิบัตินะถ้าจะว่าไปอีกอย่างหนึ่ง่ะคือเหมือน เรากลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดานะกลับไปสู่ความเป็นปกติที่สุดนี่แหละคือนะการปฏิบัติธรรมนะการจะพิจารณาช่วยนะถ้าเราจะพิจารณาช่วยก็พิจารณาให้มันกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติความเหมือนกันของของทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละนะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะ อย่างบางทีพระอาจารย์ท่านก็แนะนำเนาะให้พิจารณาด้วยความเป็นธาตุนะนะทุกสิ่งก็มีความเป็นธาตุมีดินมีน้ำมีลมมีไฟนะเออเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะพอเราพิจารณาแบบนี้เออวัตถุก็ดีมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เสมอกันด้วยความเป็นธาตุ มีเมื่อมีวัตถุนี้มีรูปนี้เกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายเสมอกันอีกนะมันมีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บการตายเสมอกันเนี่ยมองกันด้วยความเป็นเสมอกันนะในความแก่ในความเจ็บในความตายมันมีความทุกข์ ในการมีชีวิตยอยู่มันก็ต้องเจอกับสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่ต่ํมไปอันนี้ก็มองกันด้วยความเสมอกันนะถ้าจิตใจเรามองด้วยความเสมอกันแบบนี้นะเออความแก่ความเกลียดนะความโกรธนะมันก็จะสลายไปเลยนะ ม, มันจะเกิดความเมตตาความโกโรุณา ความรักกันขึ้นมาแทนที่นี่คือคือเราจะสลายสิ่งที่มันเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเรากลับมาเห็นว่าที่จริงแล้วนะวัตถุนี้นะรูปนี้ก็มีความเป็นาธาตุเสมอกันนะไม่ได้ไปหลงในความเป็นาธาตุที่มันภายนอกอาจจะแตกต่างกันนะ แต่ภายในเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนพูะเจ้าท่านบอกหม้อดินหม้อไหนนะไม่ว่าช่าปั้นขึ้นมานะก็ล้วนต้องแตกนะไปในทุกใบนี่นแหละนะในธาตนะุความเป็นมนุษย์ความเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะมันก็มีความแตกไปนะเหมือนเหมือนกันทนั้นเลยนะ ก็ดูใหม่เลยโอ้เสมอกันเป็นหมดเลยนะอืคนเราทุกคนก็มีความแก่ความเจ็บความตายเสมอกัร น, นะคนเทุกนก่คสมอกรนทุกสัตว์ประทั้งหลายก็มีความทุกข์เสมอกันนะนะมีความทุกข์แวดล้อมนะในชีวิตนี้ความมองแบบนี้นะจิตมันมันจะคลายความโกรธนะ ขายความยึดมั่นถือมั่นไปได้เยอะเลยอันนี้เรียกว่าพิจารณานะถ้าเราจะพิจารณาก็พิจารณาเนี้ยในความความที่มันเป็นอะไรที่มันกลับมาสู่สภาวะที่มันเป็นพื้นฐานเลยนะสภาวะที่มันสามมันสามันลักษณะคือมีลักษณะที่เหมือนกัน สรรพสัตว์ทั้งหลายมีรักษณะที่เหมือนกันนในความเป็นไตรลักษณ์ น, นี้นะพิจารณาไป น, นออทุกสิ่งทัยางมันก็ไม่เทียมมันก็เป็นทุกมันไม่ใช่ตัวตนท่านนั่นแหละนะอันนี้แหละคือเราพิจารณาเพื่อ น, น้อมใจนะน้อมใจมาแบบนี้แต่จะคิดเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะต้องฝึกนี่แหละฝึกสติให้มันเห็นนะเห็นสภาวะแบบ น, นี้บ่อย อย่างเราฝึกให้เห็นรูปเห็นนามเนะี่ยแยกออกมาให้เห็นเออรูปเป็นวัตถุนะรูปเป็นก้อนธาตุนะมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุก้อนธาตุมันก็แค่แสดงอาการของมันเนาะนะในวัตถุในก้อนธาตุนี้ก็มีความทุกข์นะบีบคั้นมีความทุกข์แฝงอยู่ข้างในนะั้นตลอดเวลานะนะนะจะหาสุข หาความไม่ทุกข์นะในวัตถุนี้มันไม่มีแบบที่เที่ยงแท้หรอกนะเพราะรูปมันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเนะี่ยเราก็ดูโอ้ถ้าเราเห็นนะเห็นทุกข์มันเป็นแบบนี้มันก็เกิดปัญญาขึ้นมาจิตก็เหมือนกันจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเนาะนะ มันเกิดจากความที่มันไม่ในสภาวะแท้จริงมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะคล้ายๆเหมือนกับความเงียบนะความเงียบเป็นสภาวะปกติเสียงเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งละเหมือนผมพูดแล้วก็ปรุงแต่งเหมือนกันแหละนะปรุงแต่งเป็นภาษาปุงแต่งเป็น เสียงขึ้นมานะแต่เดิมแท้แล้วมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะจิตก็เหมือนซันโอมันมีสภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งนะมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเองของมันนะเราก็เห็นมันนะเราก็ดูมันมแต่คราวนี้เราจะใช้สติในการกํากับนะ ที่ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งด้วยเงื่อนไขที่เป็นสมมติที่ต้องใช้นะแต่อะไรที่มันไม่ใช่จําเป็นต้องใช้ละเราก็ละมันเสียตัดมันเสียวางมันเสียฝึกรู้ทันมันบ่อยๆตรงนี้จิตมันก็จะกลับกลับคืนสู่ธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติที่แท้จริงของจิตมันก็มันไม่ปรุงแต่งอะไรน จิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นจิตที่ผิดธรรมชาติเก็จะเห็นอ้อปกติมันเป็นแบบนี้นะไม่ปกติเป็นแบบนี้นะจิตมันก็จะค่อยค่อยเห็นค่อยค่อยคอยใจนะแล้วมันก็จะเลือกเขามันเองนั่นแหละว่าอือแบบนี้มันเป็นทุกขนะ์เนาะปรุงแต่งเป็นทุกข์แต่ก่อนเราก็ไม่เห็นหรอกปรุงแต่งไฟดีเราก็ว่ามันสุข เราก็ชอบไหลไปในทางที่ดนะีเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าปรุงแต่งไยไม่ดีมาถึงจะเป็นทุกข์นะมันก็คนทั่วไปทุกอยก็จะแยกแบบนั้นนะปรุงแต่งด้านไม่ดีเป็นทุกข์ปรุงแต่งด้านดีเป็นสุขนะปรุงแต่งด้านดีชอบปรุงแต่งด้านไม่ดีไม่ชอบนะทำไงถึงจะปรุงแต่งแต่ด้านดี น, ดดนะ ทำไงถึงจะไม่ปรุงแต่งด้านที่ไม่ดีนะอันนั้นมันเป็นเพียงแค่ปัญญาแบบโลกโลกนะแต่ถ้ามีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นจริงๆนะแม้แต่ในการปร่งแต่งด้านด้านศุขด้านบวกนะมันก็ยังเป็นทุกข์ของมันนะยังมีความทุกข์อยู่ในนั้นนะทุกข์ในความปุงแต่ง แต่การไม่ปรุงแต่งอนะดีที่สุดไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะอหรือถ้ามันจะปรุงก็ไม่ใช่เป็นการที่เราไปปรุงของมันนะแต่มันเป็นรสชาติดั้งเดิมของมันเลยเลยนะดีที่สุดนะอคล้ายๆเหมือนผลไม้นะเราทานผลไม้ในรสชาติเดิมของมันนะมันมีรสหวานมนมีรสอะไรก็ อันนั่นแหละดีที่สุดละได้แต่ถ้าแบบรสชาติมันเป็นแบบนี้เราไม่ชอบเราก็ไปเติมอะไรลงไปเนะี่ยเราต้องไปพยายามทำอะไรกับมันมากมายนะแต่ถ้าเราแบบอืมแค่รู้มันเป็นแบบนี้จิตมันจะสุขมันก็เรื่องของมันเราก็ไม่ต้องไปปรุงมันไม่ต้องไปรักษามันนะก็แค่รู้มันสุก เนี่ยมันง่ายมากมันคล้ายเหมือนแต่พ ภ, ภาวนาไปมันจะรู้สึกเราโง่ตรงโ ง, ง่ต้องต้องไปทำนั่นทำนี่เงนี้ต้องไปพยายามไปพยายามห้ามความคิดต้องไปพยายามจะเพ่งรู้บ่อยๆต้องไปพยายาม รักษาสิ่งที่มันดีนะต้องไปพยายามแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีนะมันเหนื่อยหน่อยนะแต่การเปลี่ยนจริงจริงมันไม่ใช่เปลี่ยนโดยการที่เราต้องใช้ความพยายามมากเรานะแต่มันเปลี่ยนโดยเปลี่ยนด้วยสติปัญญาเนี่ยมันมันเป็นอัตโนมัติของมันเองนะมันไม่ได้หนักมันสบายๆนะเหมือนกับเราหายใจ เข้าหายใจออกเนี่ยหลนะมันเป็นธรรมชาตนะิมันเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดานะแต่ถ้าเราคิดมากเนี่ยเราอืมมันกับไปบังคับลมหายใจนี่าอนีต้องไปพยายามให้หายใจแบบนั่นแบบนี้นะมันจะเหนื่อยมากนะแต่ถ้าเราแค่ธรรมดานะหายใจธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยมากหรอก การรู้การดูก็เหมือนกันนะรู้ดูแบบธรรมดาเนี่ยแหละนะออเย่าไปอย่าไปคิดมากอย่าไปปรุงมากนะนะการคิดการปรุงเนกะ็คือเราไปยึดนะยึดคิดว่าทําแบบนี้ดีทําแบบนี้ไม่ดีนะทําแบบนี้ถูกทําแบบนี้ไม่ถูกนะแต่จริงปัญญามันไม่ใช่ไปคิดไปทํานะ แต่เป็นการรู้นะเป็นการเห็นเห็นอันนี้ถูกเห็นอันนี้ผิดเห็นอันนี้ดีเห็นอันนี้ไม่ดีมันเป็นการเห็นมันไม่ใช่เป็นการไปพยายามทำทาให้มันดีหืออะไรแบบนี้นะเต็มการเห็นนะออเห็นเนี่ยเห็นว่าเป็นแบบนี้ก็ค่อยๆดูอันนะครับก็ ใช้เวลานะนะใช้เวลาที่เราได้อยู่วัดได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นการสุกฝนนะดูตัวเราบ่อยๆนะดูกายดูใจบ่อยๆนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ <ทำ S 1> ก็มีกายมีใจเน<ๆ>ี่แหละนะเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะตลอดเวลาเลยนะดูลงไปเนะี่ยให้มันถึงสภาวะที่มันเป็น สามันลักษณะนะสภาวะที่มันเสมอกันนะที่เหมือนกันของทุกสรรพสัตว์ทั้ลายนี่แหละนะมองตรงใบต้นนี้นะมันจะทะลุสมมุตินะถ้าทะลุสมมุติได้ก็เข้าถึงความวิมุตินะเนี่ยมองให้มันทะลุแบบนี้แหละปัญญาจริงๆคือมองทะลุทะลุสมมุติต่างๆเนี่ยเข้าถึง สภาวะที่มันมีเหมือนกันของทุกสรรพสิ่งนะแต่ก็ไม่ใช่หลงไม่เอาสมมุตินะสมมุติก็รู้นะอะไรควรอะไรไม่ควรนะในทางโลกอะไรเป็นกฎอะไรเป็นกติกาเป็นมารยาทนะเราก็รู้เราก็ทํานะตามสมมุติแต่ทําแบบพิมุตินะทําสมมุติเนอะ แต่ทำแบบปล่อยวางนะเหมือนเราทำเราทางานเราทำสิ่งที่สมควรทำนะคนอื่นไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาละไม่ไม่ต้องไปไปยึดั้นถือมั่นอะไรเป็นเรื่องของแต่ละคนละนะเราแนะนำได้ก็แนะนำแนะนำไม่ได้ก็ปล่อยวางไปอะไรเนี้นะเนี่ย คือทำแล้วก็เสร็จไปนะทำแล้วก็ดูอารมณ์ของเราไปด้วยอย่างนี้นีน่คือสมมุติเราก็ทำนะแต่ถ้าคนอื่นจะไม่ทำตามสมมุติก็เรื่องของเขาละนะแต่เราทำแบบปล่อยทำแบบวางนะก็ฝากไว้ครับ